นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ต่างเพียวธรรมะ .com เอพิโที่81ครับในวันนี้เราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานแล้วก็ยังตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของเมตตาเรื่องของอนาปนาสติแ ล, แล้เราก็เรื่องคำสองพระเจ้านิดนิดหน่อยหน่อยด้วยและนี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ครับเจ้าราภัยบูนอภิปุนโนก็มาพร้อมกับคุณหมอรัตพงษ์ ครับกลับน้มัสกัดและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมนัทพงศ์กหนกวิรุณครับนี่เอพิโซดที่8ปครับใช่แปเอ็ดวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้สัหน่อยก่อนเรื่องเกี่ยวกับการที่เรื่องการให้ทานมีคําถามจากคุณน้ำฝนมาเลยทีเดียวคุณน้ำฝนต้องการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระสูตรหนึ่งที่มีอยู่ในทานทสูตรถ้าใครไปดูในโปรแกรมพระเตยปิดอกนะ ถ้าเราพิมพ์คำว่าฐานสูตรเนี่ยเราจะเจอพระสูตรนี้ที่พระเจ้าอธิบายธรรมะให้กับท่านพระสารีบุตรฟังนั่นคือตรงนี้จะอธิบายพระสูตรนี้ให้ฟังเลยนั่นคือในตอนนั้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็ไปหาพระเจ้าแล้วก็พายาโยมเลยไปเยอะแยะไปหมดแล้วพอไปถึงพระเจ้าแล้วก็เลยถามเรื่องว่าเอ๊ะ ก, การให้ทานเป็นยังไงใ น, นลักษณะนี้ทําไมบางคนให้ทานมีอ น, นิสงส์มากบางคนให้ทานมีอ น, นิสงส์น้อยนันี่คือ เขาเรียกว่าอัคระมหาเสนาบดีด้านขวานะถามนะครับจริงๆแล้วพระท่านภาษายลิบุญเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากแล้วก็สแสวงหาความรู้ใช่ไหมความรูคร้ความเรียนอะไรก็เลยต้องจะถามพรุชธเจาด้วยด้วยการถามนี่บางทีอาจจะด้วยจุด ป, ประสงค์ที่ว่าอาจจะให้คนอื่นรู้ตัวเองอาจจะรู้อยู่แล้วนี่ก็กอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้<อ>เพื่อจะได้เป็นเหมือนต่อสะพานให้คนอื่นได้รับรู้ใช่ตอบพร้อมๆกันนี่นี่คือครเรื่องในเบื้องต้นของฐานะสูตร เกีย่ยวกับการ ใ, ให้ทานทีนี้พูดถึงโครงสร้างของพระสูตรนี้นิดหนึ่งก่อนในเรื่องเกี่ยวกับให้ทานว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงอยูอ่การให้ทานอยู่ทั้งหมด7 7แบบปารบเหตุ7อย่างพูดงี้ดีกว่าแต่ทําไมสักคนใดคนหนึ่งยังมรุทธงให้ทานเพราะอะไรแต่ตัวตัวเราเองตัวอาตมาเองให้ทานเพราะอะไรแต่ถ้ามึงฟังฟังฟังอยู่เนี่ยให้ทานเนี่ย จะให้ใครสักคนใดคนหนึ่งจะสมณะก็ตามให้คนขอทานก็ตามให้บริจาคอาบุญนิติไหนก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าคุณปรารบเหตุอะไรเหตุในการที่ทําให้คุณแบบเก็จะให้ทานดีกว่าอย่างเงี้ยก็มีอยู่ทั้งหมด7อย่างอ๋อเจอย่างอย่างใช่มีอะไรบ้างครับท่านเอาหอย่างแรกก่อนหกอย่างแรก6อย่างแรกเนี่ยพระเจ้าพูดถึงว่าเออให้ทานแล้วคิดว่าทานเป็นการสั่งสมบุญคิดว่าตายไปแล้วเราจะได้เสวยผลของฐานนี้ อ๋อสั่งสมบุญนะครับคือให้ทานหวังผลเพื่อว่าตัวเองจะได้บ้างอย่างเช่นว่ากายนี้แตกดับไปแล้วอ่าอย่างคุณทําอะไรถวายรถยนต์หรือถวายรองเท้าถวายรองเท้าเพื่อที่หวังว่าเออฉันจะได้มีรถยนขับกับเขาบ้างอย่างเงี้ยนะ<ต>บาง ค, บคนถวายใบมีดโกนเพื่อหวังว่าเออฉันจะได้มีปัญญาพวกนี้อ๋ออ่าบางคนถวายอน้ำอ่าเงื่อนทองคือหมายว่าถวายปัจจัยสี่ควรแก่สมรรถบริโภคใช่ไหม เพื่อจะมีความคิดว่าฉันไปที่ไหนก็จะไม่อดไม่อยากอย่างเงี้ยอ๋อครับอันนี้คือลักษณะว่าเราจะได้เสวยผลของฐานนี้นะจึงให้ฐานให้ฐานนี่พูดนิดหนึ่งว่าให้ฐานมันคืออะไรบ้างนะคือคุณจะให้ข้าวให้น้ําให้ยานพานะยานพานะนี่หมายถึงว่ารวมถึงการบริการด้วยนะอ๋อ ร, รับส่งพระรอ่าใช่ดอกไม้คล้องหอมเครื่องรูปไร้รูปทาที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องประทีปโคมไฟต่างๆแกส่สำนะ อนี่คือาขอ ง, งที่ให้ได้อพวกนี้<า>นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินเลย่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินและทองเลยคือคุณให้สิ่งเหล่านี้่ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะทําเป็นอย่างนี้คุณก็อาจจะต้องฝากกับไวายาจกรที่ก็ทําหน้าที่ที่จะแปลงให้เป็นสิ่งเหล่านี้เอาให้ป ร, ระสงค์ทีนี้นี่คือสิ่งที่พอจะให้ทานได้ถามว่าถวายดอกไม้ได้ไหมได้ทําไมจะไม่ได้ภูมเบลัยของหอมเป็นทูบเทียน ไ, ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะ ถ้าดูตามพระวจนะตรงนี้มันก็มีส่วนถูกอยู่ในการจุดทุปจุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะอันอันนี้น่าประเด็นนอีหนึ่งที่นี้ต้องการจะพูดถึงว่าเหตุที่คุณมาให้ทานเนี่ยคือเพราะว่าหวังผลที่เราจะได้เสวยผลของฐานนี้คเข้าใจไหมมีจิตผูกพันในทานนี้ในสิ่งของเนี่ยจึงมุ่งที่จะสั่งสมให้ฐานเพื่อเราจะได้เสวยความสุขเหมือนกันเถอะครับอันนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่ง อือันนี้ก็ถือว่าไม่ไมผิดใช่ไหมครับกรณีนี้ถือว่าถือว่าก็ก็ไม่ผิดมไม่ผิดโอยคนที่ให้ทานดีๆทั้งนั้นไม่ว่าอันนี้คือเหตุข้อที่หนึ่งตอนนี้นพระรพุทธเจ้าปรารภพูดถึงเหตุว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งองคุณให้ทานเพราะปรารภเหตุอะไรอันนี้เป็นเหตุที่หนึ่งถามว่าตรงนี้ทำยังไงคุณทำแล้วได้เป็นอะไรผลนะโอ้อันนี้สงได้เป็นเทวดานะฉันจะตูมาราชิกาเลยนะอ่าคือดีกว่ามนุษย์ทั่วไปอ่ะจะได้เป็นเทวดาครับเนาะ อืมทีนี้เหตุที่สองเหตุที่สองที่บุคกพในพระสุขคลหนึ่งให้ทานมีข้าวน้ํายานพาหนะต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะอนั่นก็เพราะว่าให้ทานเนี่ยคือไม่ได้คิดจะผูกพันธุ์ในเรื่องสิ่งของที่เราให้หรอกคือให้เราก็ให้ไปเลยจบไปแล้วในอย่งบางคนเนี่ยมีความคิดว่าเออให้ให้แล้วก็จบไปฉันก็ไม่ได้ผูกพันธุ์อะไรในนี้แต่มีความแต่มีความคิดว่าเการให้ทานเป็นการดีจึงให้ อันนี้เหตุที่สองนะการให้ทานเป็นความให้และเป็นการดีใช่จึงให้ทานอันนี้ดีนะครับทีนี้มาดูเหตุที่สามที่ว่าทำไมบุคคลใดสักบุคคลหนึ่งเนี่ยให้ทานแล้วก็เพราะว่ามีความคิดว่าเออปู่ย่าตายายพ่อแม่ฉันก็เคยทำมาเราก็ควรให้เหมือนกันอ๋อทำตามบรรพบุรุษใช่บรรพบุรุษทำมาอย่างดีๆแล้วเราฉันก็ทาไปที่ว่าการให้ทานเป็นสิ่งดี เราก็ทําไปอย่างนี้ครับอันนี้ <S <S จะหวังผลหรือเปล่าไม่ไม่ทราบใช่ไหมครับ <S <S พรเพียงแต่ทําตามตามตามบรรพบุรุษใช่อันนี้คือปรารบเหตุอะไรถามว่าคุณปรารบเหตุอะไรอ่าครับถ้าคุณปรารบเหตุอันนี้ส่วนเรื่องการหวังผลนี้เป็นเรื่องของอขั้นตอนต่อมาละครับอ่าจะทําให้บุญคุณบุญคุณมากขึ้นหรือลดลงตัวนี้เราจะมาคุยกันอ๋อเหตุที่สามถัดมา เหตุทนะี่หนึ่งคือว่าคิดว่าให้ทานแล้วเราจะได้หวังผลของทานนั้นอะไไปสวยผลของทานนั้นมีการให้อะไรเราก็อยากได้อย่างนั้นนะครับเราก็อย่างที่สองคือคิดว่าการให้ทานเป็นการดีจริงทำเป็นการดี<ำ>นะครับเป็นการดีนี่ก็คือหมายถึงว่าผลของการให้ทานเนี่ยก็คือว่าคนจะยกย่องไปเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่ครั่นคร้ามพวกนี้ก็เป็นผลดีของทานทั้งนั้นนะครับอันที่สามเนี่ยใกล้ตัวเข้ามาหน่อยก็คือคิดว่าปู่ย่าตายายเราทํามาเราก็ทําบ้างครับ ออันที่สี่อันที่สี่มีความเหตุอเหตุของอันที่สี่ที่ว่าคนเขาให้ทานเนี่ยคือไม่ใช่สามเหตุแรกแล้วนะเป็นเหตุที่สีก็คือว่าเฮ้มีความคิดว่าพวกสมณะพราหม์พวกเนี้ยอย่างพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยหุงหาอาหารกินเองไม่ได้นแต่เราหุงหาอาหารกินเองได้เราก็น่าจะทําให้ท่านเพราะว่าถ้าท่านทํำแล้วมันจะไม่ดีไม่สมควรเราจึงเราจึงหุงหาอาหารแล้วก็เอาให้ท่านอย่างนี้อันนี้คือเหตุที่สี่ เราก็เหตุที่ห้าถัดมานะก็คือปรารภเหตุที่พูดถึงฤาษีในครั้งก่อนๆ่นรนะรเช่นฤาษีต่างๆเนี่ยทั้งทั้งทั้งหมดสิบกว่าฤาษีเนี่ยนะเป็นผู้ที่ <c oughs> ให้ฐานแล้วเนี่ยเราจึงให้ฐานยังไงนะครับ<อ>พวกฤาษีเนี่ยนะก็คือเป็นพวกนักบวชสมัยก่อนนะที่มีชื่อเสียงมีมีข้อปฏิบัติต่างๆสืบต่อกันมา พระเจ้าก็พูดถึงว่าเออบางคน<ม>บคนุคคลบางคนเนี่ยให้ทานนะพระปรารภพวกราศีเหล่านี้พวกราศีเหล่านี้ที่เป็นคนมีศีนก็มีนะ ค, คนมีศีนมีคุณวิเศษมีสมาธิต่างๆพวกนี้เป็นคนดีอย่างน้อยก็ยังมีศีล ม, มีสมาธิที่ลึกซึ้งละเอียดขึ้นไปบุคคลเหล่านี้ก็ให้ทานเราก็เลยให้ทานบ้างวางกันเถอะนะครับถัดมาแล้วก็คือด้วยให้ทานเนี่ยด้วยความคิดว่า จิตของเราจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและสมนัสจึงให้ทานนะไอ้ตรงนี้คือปลารบเหตุความสุขที่เกิดจากในภายใ น, oh. นความสุขที่เกิดจากในภายในจึงให้ทานนะพูดถึง6อย่างแรกนี้ก่อนอย่างสุดท้ายเนี่ยคือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะเขาจึงให้ทานอันนี้อย่างที่7ทีนี้เหตุเหล่านี้เนี่ยมีความแตกต่างกันหมอรัตถวงแต่แตกต่าง ต, างตางรงที่ว่าผลอันนี้สงที่จะเกิดขึ้น เหตุอันหกอย่างแรกนะเป็นการปรารภเหตุนะคืออันนี้ส่งมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่สมมติเราให้ทานด้วยความที่ว่าเออฉันต้องการหวังผลให้ทานหวังผลว่าเป็นสิ่งนั้นตอบแทนในเราของไปฝากหัวหน้าเงี้ยเราหวังผลว่าฉันขอเลื่อนตําแหน่งอันนี้นะอันนี้ส่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะน้อยที่สุดนะคือเกิดอยู่แต่น้อยที่สุดนะคือพอตายจากโลกนี้ไปพระเจ้าบอกว่าเอาไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมาราชิกาเนี่ยคือเทวดาชั้นที่น้อยที่สุดอ่ะ ในในชุดก ร, รมภพเนี่ยมีอยู่หกหกชั้นเนี่ยนะครับอ่าก็คือตรงนี้ทั้งหมดเลยอืเพราะว่าไปหวังผลใ <ไป S 1> บหวังผลในเรื่องของความที่เราอยากได้เป็นอย่างนั้นอืมครับอ่าเช่นว่าเราอให้อาหารหรืออย่างที่ว่าตอนแรกนะให้เอ่ามีดโกนแล้วหวังว่าเออฉันจะได้ฉลาดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ควหวังรตรงนี้เนี่ยก็พอตายไปนี่พระเจ้าพูดถึงตอนที่ตายไปนะครับร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะ ได้ไปเป็นส่งอะไรบ้างจะน้อยที่สุดเทวดาฉันจะตุมาราชิกาอันนี้ก็ไม่น้อยแล้วนะคือว่าคือว่าดีแล้วนะเป็นเทวดาเทวดาไงก็ดีกว่ามนุษย์แน่นอนแต่ว่าเป็นเทวดาที่ชั้นที่น้อยที่สุดอยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดคครรัับบทีนี้ถ้าเราให้ทานด้วยความคิดที่ว่าให้ทานเป็นการดีไม่ดื้อมุ่งการสั่งสมไม่ได้คิดว่าตายไปแล้วจะเสวยผลของทานแต่คิดว่าการให้ทานเป็นการดีจึงให้ ต, ตรงนี้จะทําให้ได้ไปสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นหน่อยหนึ่งนั่นคือชั้นดาวดึงพอตายไปแล้วก็ใช้ไปอยู่ชั้นดาวดึงครับทีนี้ข้อที่สามปรารภเหตุอะไรปรารภเหตุปู่ย่าตายายเคยทํามาเราก็ให้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ยิ่งไปสู ง, สงอีกสูงขึ้นไปอีกครับอืมก็จากชั้นดาวดึงก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือถ้าเราปรารภเหตุว่าให้ทานด้วยการคิดถึงปู่ย่าตายายอย่างเงี้ย ผลที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นยามาสูงขึ้นมาจากดาวดึงอีกขั้นหนึ่ง oh, <Y> อ๋อยามาใ่ไยามาทีนี้ต่อไปอีกนะถ้าคุณปรารภเหตุที่ว่าเออสมณะพวกนี้หาหุงอาหารกินเองไม่ได้นะเราจึงให้ทานไม่ต้องให้ธรรมตามหรอกเราก็จะสูงขึ้นไปอีกนะเป็นลักษณะของชั้นดุสิต <c oughs> นะั่นคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เราขึ้นไปสวรรค์ชั้นสูงขึ้นคือชั้นดุสิต ถัดมาอันที่5้าก็คือว่าบรารอบพวกฤาษีในครก่อนๆที่มีคุณธรรมสูงฤาษีพวกนี้ก็ทําให้ผลที่เกิดขึ้นกับเราก็จะเป็นอยู่ในเทวดาชั้นนิมันระดี<น>สูงขึ้นไปอีก น, อนิมันระดีสูงขึ้นไปอีกแล้วก็ในชั้นที่6กสูงสุดละลก็คือด้วยการให้ฐานด้วยการคิดว่าอาจิตเลื่อมใสทําให้เรามีปิติปราโมทเกิดขึ้นะมีความปลื้มใจมีความโสมนัสตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่ เทวดาชั้นปริณีมิตรสวัสดีแต่สูงที่สุดในชั้นการมาพบละ่ะอ๋ออันนี้พอจะเข้าใจนะคือคือว่าคุณครปรารภเหตุอะไรในการให้นะพูดง่ายๆคือถ้าคุณครปรารภเหตุเรื่องการมาคุณคุณจึงให้นะนี้ได้ผลสูงเหมือนกันแต่สูงน้อยที่สุดต้อย่างนี้ผ <hi> ลสูงเหมือนกันแต่สูงน้อยที่สุดสูงน้อยที่สุดถ้าคุณปรารภเหตุเรื่องว่าสิ่งนี้เป็นการกระทาที่ดี ในการกระทําที่ตรงนี้กว้างมากเลยในเมืม่อเราพูดถึงกายกรรมอย่างเงี้ยกายกรรมสุจริตกายกรรมอันเป็นสุจริตอย่างเงี้ยโอ้ยมันกว้างมากแปลว่าบางทีความละเอียดเร า, เาตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีถ้าพูดถึงนะละเอียดน้อยกว่านะก็จะทําให้สูงขึ้นไปอีกได้สูงขึ้นไีก็ไปอยู่ที่ดาวดึงดาวดึงใช่ใชแบบนี้ปารคเหตุที่ดีขึ้นไปอีกคือปารคเหตุมารดาบิดาของเราตรงนี้จะเห็นความละเอียดแง่มุมตรงที่ว่า คุณให้ทานคุณปรารบเหตุอะไรอ่าถ้าคุณปรารบเหตุเรื่องการคุณได้ผลสูงแบบน้อยที่สุดถ้าคุณปรารบเหตุเรื่องว่าเป็นของดีคุณให้ผลสูงขึ้นมาหน่อยถ้าคุณปารบเหตุเรื่องมาดาบิดานะอันนี้ดีขึ้นมาอีกถ้าคุณปลารบเหตุเรื่องสมณะพราหมณ์ที่เราให้ท่านนี้อาจจะเป็นคนมีสิลไม่มีสิลก็ตามอ่ะแต่ว่าข้อโดยข้อปฏิบัติแล้วท่านเป็นคนที่หุงอาหารกินเองไม่ได้นั่นคือเราปารบเหตุที่ดีๆยิ่งงขึ้นไปเนี่ย ผลมันยิ่งดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่แล้วไอ้ข้อที่ห้าที่พูดถึงฤาษีเหล่าเนี้ยก็คือเพราะว่าฤาษีเหล่านี้ยมีคุณธรรมคือศีลมีสมาธิเป็นต้นอืมนะที่ที่ละเอียดกว่าปุตุชนที่เป็นเป็นสมณะเป็นต้นครับหมายถึงว่าพระที่ยังเป็นปุตุชนอยู่อนะอืมครับนี่ท่านมีศีลบริบูรณ์กว่าใช่เพราะฉะนั้นพวกฤาษีพวกนี้ก็จึงเป็นเหตุที่ทําให้ได้อานิสงส์สูงขึ้นอืมครับ ทีนี้ที่สูงขึ้นที่สุดเลยนะก็คือสูงขึ้นในระดับนี้นะก็คือว่าเออเป็นเครื่องทําให้เรามีความปลื้มใจมีปีติมีสมนัตอันนี้ก็คือทําให้ไปอยู่ในเทวดาชั้นที่หกสวรรค์ชั้นที่หกเลยันตรงนี้เพราะฉะนั้นคือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าปรารภเหตุอะไรถ้าปรารภเหตุที่ละเอียดขึ้นมาดีขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณให้ทานเนี่ยอันนี้จะทําให้ได้ผลอันนี้สงสูงมากขึ้นอือและอย่างตัวผลนี้จําเป็นต้อง หลังจากตายไปแล้วไหมครับหรือว่าต้องแบบในชีวิตนี้นจะเสวยผลได้ไหมครับอ่านี่ไงตรงที่ผู้เชาบอกว่าผลของกรรมใดกรรมหนึ่งเนี่ยมรดพงมันจะให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลในเวลาต่อมาก็มีมนะผลในเวลาต่อมาที่ผู้เช่าพูดถึงผลในเวลาต่อมาถนะ้คุณตายไปแล้วคุณจะต้องไปอยู่ในภพภูมิพวกนี้ครับนะผลในปัจจุบันเดียวนั้นที่คุณให้คุณคุณเกิดอะไรขึ้น สบายใจอิม่มแบบใจสบายใจอิมแบบใจบมีแน่นอนอันนี้สําหรับคนที่ให้ด้วยความที่มีความปลื้มใจมีความสมบนันดาษนะอันนี้คือไปอยู่ปริเดนนี้ไม่ตัดสวัสดีนะสมมุติคุณให้แล้วคุณเกิดผลตรงนี้นะคุณคุณปรากฏเหตุตรงนี้คุณจึงให้เนี่ยผลที่เกิดในเวลาต่อมาต่อมาอีกเนี่ยคุณไปอยู่นน่นปริเนนี้ไม่ตัดสวัสดีครับอ่ะทีนี้ผลเดี๋ยวนั้นอย่างเช่นว่าคุณอาจจะได้รับการยกย่องอโอ้เออได้รับใบอนุโมทนาบาัตรก็เอามาให้นี่เป็นผลที่เกิดจากคุณให้ทานเดี๋ยวนั้นเลยก็มี ดังนัน เ, เรื่องการพยากรณ์ที่ว่าเอ๊ะผลเดียวนั้นมันจะเป็นอะไรนะ น, นี่เราก็พูดกันยากนะมันก็มีหลายอย่างบางทีคุณให้ทานเพราะว่าหวังชื่อเสียงคุณก็จะได้อยู่ <S <S <S แล้วคุณให้ทานเพราะว่าเป็นบุคคลที่ให้แล้วเป็นคนดีอย่างเงี้ยเราก็จะได้การยกย่องก็มี <S <S <S เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นผลที่ได้ในปัจจุบัน <S <S <S ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าข้อที่เจ ที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือว่าการ ใ, ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตออถามว่าการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเนี่ยหมายความว่าไงหมายความวามม่าไงมันแล้วมันต่างกับการให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการดีเนี่ยมันต่างกันยังไงตรงตรงนี้เราดูเรื่องผลก่อนสมมุติว่าเราดูเปรียบเทียบผลนะเวลาวิเคราะห์ธรรมะเนี่ยนี่คือกระบวนการที่จะมาวิเคราะห์อนะก็คือว่าเราเราต้องดูเหตุที่พระเจ้า พูดถึงในเหตุคืออะไรในกรณีนี้เนี่ยเหตุเนี่ยปราลบความละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมปราละเอียดที่สุดปราลบความละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปครับทีนี้ผลที่เกิดขึ้นก็ทําให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปในภพที่ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมคืออันนี้สงใจมากกว่าใช่รับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าอการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเนี่ยก็คือละเอียดกว่าที่เป็นปีติเป็นสุขอืครับอ่า เหนือไหมคุณให้ทานก็สักแต่ว่าให้ว่างั้นเถอะแต่ถ้าใช้อีกคําหนึ่งที่อาจจะมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ไม่รู้จะถูกบทเพยงใช่ไหมหรือเปล่านะเพราะว่าพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่มายืนยันอนะนะว่ายังไงนะครับก็คือให้แสักแต่ว่าให้ให้สักแต่ว่าให้ให้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตคือไม่ได้ให้ด้วยความคิดว่าเออให้แล้วดีนะให้แล้วเธอจะดีให้แล้วฉันจะดีไม่ใช่ไม่ได้คิดอย่างนั้นด้วยไม่ได้ให้คิดว่าเออเธอฉันให้เธอแล้วฉันจะสบายใจคือให้สักแต่ว่าให้น่ะ ให้ให้ไปแต่คือไม่ใช่ว่าให้ให้ไปโยนโ ย, ยนทิ้งให้นะเหมือนให้ขอทานแรงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ <das S 2> ใช่แต่เป็นการให้ด้วยเอเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเครื่องปรุงแต่งจิตเนี่คือว่าเป็นที่อาศัยของจิตนั่นเอง <c oughs> ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันก็อาหารเนี่ยเป็นการให้อาหารจิตน่ะนะจิตจะดํารงอยู่ได้มันต้องมีเครื่องปรุงที่ให้เขาทรงอยู่ได้อ <c oughs> ืก็คือหมายถึงพวกวิญญาณอาหารพวกเนี้ยอเป็นเป็นอาหารของจิตทั้งสิ้นนะ เพระนั้นก็คือให้เป็นเครื่องที่จะทําให้จิตมันอยู่ได้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเท่านั้นเองอพราะฉะ้นถ้าจะพูดถึงก็คือว่าให้ด้วยจิตที่ไม่ได้คิดว่าการให้เป็นการดีนะหรือไม่ได้คิดว่าการให้เป็นการโยนยนให้เฉยเฉยหรือไม่ได้คิดว่าเราจะมีปีติปราโมทพวกนี้นะนั่นก็คือการที่ให้โดยให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนั่นเองเอาถ้ายกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้มันประมาณไหนนะครับท่านคือถ้าเป็น คำอธิบายนี่มันมันเหมือนยังมันเห็นไม่ชัดนะครับอย่างเช่นว่า อ, อมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในหมูลส ง, งเป็นต้นนะหรือว่าในมูลที่ใดมูนดิดหหรือว่าในสังคมใดสังคมหนึ่งก็มีความต้องการตรงนี้อย่างความต้องการถุงทรายอย่างเงี้อยออนนืมันในกรณีนี้อตามน้ำท่วมคุณจะให้ทานถุงทรายนะคุณก็ให้ทานไปเลยโดยไม่ได้คิดว่าฉันให้ทานแล้วฉันสบายใจไม่ต้องคิดเรื่องนี้นะเพราะว่าอันนั้นจะเป็นข้อที่หกนะ ครับหรือว่าเออให้ทานแล้วฉันจะฉันจะเป็นคนดีไม่ต้องคิดเรื่องนี้อ๋อไม่ได้คิดปล่อยวางอ่าก็คือเ้าได้เขาอยากได้ะไเราให้อืมเนี่ยไหนะคือการปรุงแต่งจิตถ้าคุณมีคุณให้เดี๋ยวที่ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ปรารถนาอย่างให้ถุงทรายก็คือปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์อย่างนี้ก็ได้ไหมครับคือหรือว่าจิตต้องไม่อันนี้ก็ได้ใช่ใช่อันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ได้นั่นคือปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์อย่างนี้ก็คือไม่ได้อยู่ใน ขอบขายว่า เ, เราทำให้มีปิติประมท่ในจิตของเราอย่างเงี้ยครับอืออืออืออืะะออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออออืออพออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออื้ยืตอืออืออืออืออือตือเืออืออืออืออืะอืออืออุออืขอืองืนอืออืออืออออืออืออืออืออืออือมืออืออืออืองืออืออืองืออืออืออืออออืออืืออืออืออืออืออืออืืออืออืออืออืออืืออืออืออืออืออืืออ อืมอืมอมอแมพโโลโ อ, อ่าทีนี้รตรงนี้เป็นคุณธรรมรที่เหนือกว่าพวกปิติสมนัสพวกนี้อยู่ใช่ครับอืมอือก็มันเป็นในนี้ก็ดีนะที่คุณหมอธงพูดถึงว่าเออมีกรุณาเป็นต้นครับซึ่งเป็นคุณธรรมของฉันพรมอยู่แล้วด้วยเพราะฉนั้นไอ้อตรงเครื่องปรุงแต่งจิตเนี่ยก็จะเป็นคุณธรรมที่ละเอียดขึ้นไปนั่นแหละถ้าเราพูดกันอือครับก็จบ เป็นผลมากและอันนี้ส่งมากอ๋อเหมือนกับที่ในคำถามเลยใช่เมื่อกายแตกดับแล้วก็จะทำให้เป็นเป็นเทวดาชั้นพรหมก็คือสูงกว่าชั้นเทวดาในกข้อแรก่วไปถูกต้องถูกต้องแล้วบอกว่าพอถึงขั้นนี้แล้วพอหมดอายุไขของการเป็นพรหมแล้วเนี่ยจะเข้าสู่นิพพานได้เลยเลยหรอครับอันนี้อ๋อก็คาถามไม่ไม่แน่ก็คืออยู่ที่ว่าพรหมชั้นนั้นเป็น อภรมที่เป็นอนาคามีหรือไม่เป็นอาการนิพพบหรือเปล่าว ค, คือในชั้นภรมเนี่ยก็จะมีมีอยู่ที่เป็นอนาคามีภรมเนี่ยนะมีอยู่ห้าชั้นอืมครับซึ่งเป็นขอบข่ายของการที่จะทําให้ภพนั้นเนี่ยเป็นภพที่อยู่สุดท้ายแล้วก็จะเข้าอาจะจะนิพพานได้ในภพนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่แน่อาจจะเป็นก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้ นะคือหมายความว่าพร o อื่นๆที่คุณให้ทานมาแล้วทําให้คุณมาเป็นพร om โดยที่ไม่ได้เป็นอนาคามีพร om ก็อาจจะมีนะหรือว่าตอนนี้คุณเป็นอนาคามีแล้วคุณได้ทานไปคุณตายไปจากโลกนี้คุณไปเกิดอยู่ในพบนั้นนะก็เป็นไปได้ครับออันนี้ก็ทีนี้ว่าทีนี้ว่าเหตุของการที่จะไปอยู่ในอนาคามีพร om เนี่ยนะไม่ใช่ด้วยการให้ทานไงอ๋อคือแต่แต่ด้วยการที่คุณละสังโยชนะเบื้องต่ำห้าอย่างครับห่ะข้อแรกใช่ ทีนี้พอคุณให้ทานแล้วทําให้คุณละสังโยชน์ได้อาจจะเป็นไปได้มันจะเกี่ยวเนื่องกันตรงนี้อืมเกี่ยวเนื่องกันเป็นเหตุเป็นผลกันคือให้ทานแล้วทําให้เราระสังโยชน์ได้องค์นี้เราเหนียวหนึบแน่นเลยอันนี้เราไม่อยากให้เลยของนี้เรารักมากเลยเอาให้อืละทิ้งเสียอย่างเงี้ยครับให้ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะให้อวัยวะเป็นต้นให้สิ่งที่เรารักมากห่วงมากอย่างเงี้ยตัดไปเลยผู้เจ้าก็ยังเคยเล่าให้ฟังว่าอตัดทิ้งให้เลยเป็นต้นนะครับอก็ก็เลย ตรงเนี้ยถ้าคุณวางได้ตนตรงนั้นละสังโย์ได้คุณอาจจะไปเป็นอนาคามีพรมก็ได้ปา ร, รบเหตุของการให้ทานมันก็ก็เป็นไปได้นะแต่ว่ า, วาเหมือนบริจาคไตเอาไปเลยข้างนึงโอ้ยเอาไปาสดๆเลยครับใช่พวกนี้ต้องมีคุณธรรมสูงมากเลยนะครับก็ยังเคยนึกอยู่ว่าเราเนี่ยเกิดจะไปให้ใครนี้เราคงหวงเนาะคือไตคนเราจะมีสองข้างเขาบอกว่าให้ข้างหนึ่งได้อีกข้างหนึ่งจะ เรายังดํารงชีวิตอยู่ได้แต่แบบโหแบบต้องคูอะไรทำสูงครับ อ, อันนี้คือตอบคาถามของคุณ น, น้ําฝนที่ส่งมารเรื่องของ <คน S 2> ทานครับแล้วตรงทิ้งท้ายเขาถามว่าผู้ที่ทําทานเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ในศีลห้าในศีลแล้วก็วงเล็บศีลห้าด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับตรงนี้คือผู้เจ้าพูดถึงทานเนี่ยจะทําให้เราเป็นผู้มีปวะคับประค <eri> <Kansas. S 1> อ่าขอไปคนมีศีลจะทําให้เป็นคนที่มีโกพกท me. ร, รับค่ะนะคนมีโพกระทรั์เนี่ยให้ทานได้อ๋อค่ะมีโอกาสมากกว่าโพกระทรับตรงนี้ของคุณเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ของคุณเพราะนั้นคุณก็สมควรที่จะให้ทานตรงนี้ได้ถามว่าไอ้เงินทองอะไรต่างที่คุณได้มามันก็ต้องได้มาโดยธรรมนะโพกระทรับที่ได้มาโดยธรรมมีความเพียนเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มดึงเหงือโพกระทรับอย่างเนี้ยคุณมาแบ่งจ่ายในลักษณะที่จ่ายสี่อย่าง ไอ้ตรงข้อที่สี่ที่เอาให้สำนักผู้เพียนเผากิเลสเนี่ยคุณเอาให้ด้วยเหตุอะไรในเจ็ดอย่างนี้ oh. ออถ้าเราให้ด้วยอย่างที่เจ็ดทรัพย์นี่นตั้งแต่ก่อนที่คุณจะมาให้แล้วมันจะต้องเป็นทรัพย์ที่ได้ผ่านการทําบัตเจ็ดแล้วผ่านการจัด <c oughs> สรรงบประมาณแล้ว <c oughs> คุณจะเอาเงินที่คุณมาจัดสรรงบประมาณเนี่ยคุณได้มาถูกต้องไหมแต่ถ้าเงิน oh. ไม่ได้มาไม่ถูกต้องเอาไปคืนเดี๋ยวเอาตรงนั้นมันจัดสรรงบประมาณนี้เป็นต้นนะอืมอันนี้ก็ไปพูด นึกถึงตอนหลักการใช้ทรัพย์ที่เราเคยพูดกันเมื่อปา น, นก่อนกรับบำบรุงสมณะอย่างนี้ใช่ไหมครับ อ, อ, อันนี้คือเรื่องของการให้ทานทั่ ว, วไปที่เราพูดถึง จริงๆเรื่องทานกับคนไทยนี่ถือว่าใกล้ตัวนะครับคนไทยนี่ถือว่าเป็นชาติที่ให้ทานฝรั่งรู้สึกเขาเคยสํารวจเลยเขาบอกว่าเมืองไทยนี่ติดอันดับต้นๆเลยครับโอดูประเทศไหนมีปัญหาตั้งแต่แผ่นดินไหวที่ฮายติคนไทยก็ส่งเงินไปช่วยซึ่งมีญี่ปุ่นคนไทยก็ส่งไปคือมาเหอะคนไทยพร้อมช่วยหมดควักหมดถือว่าให้หมด <c oughs> ดีเหมือนกันการให้ทานเป็นสิ่งดีต้องยืนยันเหมือนกัน ทีนี้ว่าเราเราจะพูดเนี่ยควรจะพูดให้ถูกบทเป็นชนะเพราะสมัยนี้มันสับสน น, นิดนึงบอกทําบุญทําบุญบมาทําบุญ<ม>การทําบุญกันจริงๆงแล้วบุญเกิดจากการให้ทานก็มีบุญเกิดจากการรักษาศีลก็มีบุญเกิดจากการทําภาวนาสมาธิภาวนาก็มีแต่มันอจาบอกว่าเราจะสร้างบุญด้วยการให้ทานอะไร น, นี้ใช่บทเป็นชนะนี้ถึงจะถูกอืค<ม>ือตัวบุญเป็นผลใช่ไหมครับผลที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทานใช่จากการให้ทานอ๋อออย่างนี้ต้องบอกว่าอืมใช่ ต้องต้องพูดว่าทำทานทำทานอืมอืมอืมครับอ่อต่อไปมีเรื่องต่อไปครับก็คือคำถามของคุณคของที่ตอนแ0ดสิบจะมีของคุณอชราวณีคุณอชราวนีครับอ่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเมตตาบรุณนามุ้ิตาอุเบกขาพวกนี้ครับใช่ใชใช่ครับคือท่านยกพระสูตรมาว่าการที่เราเจริญ เมตตาภาวนาก็จะละ น, นะครับละพยาบาทกรุณาพวาว n ละวิหิงสามุทิตาละอารติอุเบขาละปฏิฆะ อ, อสุภละละราคะนะครับก็คือท่านท่านถามว่าไอการละเหล่านี้เนี่ยคือเป็นการเกิดขึ้นจากการเจริญอาณาปณสติด้วยหรือไม่อ๋อใช่แนะ่นอน ค, คืออนาปนาสติเนี่ยทำจิตของเราให้มีกําลังคือจิตเรามีสติใช่ไหมโดยใช้ลมหายใจเอาเอาอไล่ไปก่อนนะสติจากลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เป็นให้จิตเรามีสติใช่ไหมครับทีนี้พอจิตเรามีสติแล้วเนี่ยจิตเราจะมีกําลังใช่ไหมมีกําลังจิตพอจิตเรามีกําลังแล้วคุณจะจับจิตไปวางตรงไหนก็สามารถทได้ พอ <P ero S 2> <Okay. S 1> จิตคุณมีกําลังแล้วคุณจะไปจับจิตไปวางตรงไหนคุณก็สามารถทําได้คุณจะเอาจับจิงคุณไปวางตรงเมตตาได้คุณจับจิตของคุณไปวางตรงกรุณาไม่มีปัญหา mm hmm. นะคุณจับจิตของคุณไปวางตรงพิจารณาสุภะทาไมจะไม่ได้นะ mm hmm. เพราะ <c oughs> ด้วยความที่จิตของเรานั้นมีกําลังพ mm hmm. ระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องนี้มัคคัศมังคีมาแล้งมัคคสศมังคีคือการที่ทํามัคเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกัน นะั่นคือมักสามะคีนั่นแหละมรสามะคีคอ่ามรทั้งแปดเนี่ยสามะคีกันเป็นหนึ่งเพรา ะ, ะนั้นหยิบตรงไหนมามันก็ติดมาหมดหยิบตรงไหนมามันก็มาด้วยกันครับคุณหยิบข้ามามาเล็ดหนึ่งเนี่ยมันก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งไอสารวิตามินบีต่างๆที่มันอยู่มนมใ น, ม น, ในมเมล็ดข้าวนะครับคาร์บอนไฮโดรเจนฟอสฟอรัสอะไรมันก็อยู่ในนี้หมดหยิบเมล็ดไหนมันก็มีตรงนี้หมด เนเพราะว่าความที่มันละเอียดเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตตรงนี้มีหมดอ่ะจะที่ไปตรงไหนมันก็บอกตรงนั้นได้พระเจ้าก็พยายามจะอธิบายตรงนี้เพราะว่าจิตที่เป็นเป็นสมาธิเนี่ยนะหมอรัตพงับเออไอความพยาบาติไม่มีแน่นอนความเบียดเบียนไม่มีแน่นอนความไม่พอใจอรตินี่คือความไม่พอใจเนี่ยนะไม่มีแน่นอน นะพอความมีความไม่พอใจแล้วมันจะเริ่มกลายเป็นความขัดเคืองเป็นปฏิฆะนี่ไอ้ปฏิฆะนี่ก็ไม่มีแน่นอนครับรักข้าไม่ต้องพูดถึงกิเลสตัดไปแล้วในสมาธิอื่าคือกิเลสในสมาธิไม่มีเป็นผู้ที่ประศจากกิเลสละไม่มีกิเลสไม่มีอุปกิเลสเนี่ยนะเป็นจิตที่ออนยนควรแก่ก า, การงานนั่นคือจิตที่มีสมาธิเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีหมดเลยในสมาธิทีนี้พระุทธเจ้าแยกให้ดูเนี่ยเพื่อว่าอะไรมันทํางานคู่กับอะไรท่านเอง ส่วนประกอบส่วนประสมมันเป็นยังไงนะครับเพื่อเพื่ออธิบายในเชิงพยัญชนะแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็คือการเจริญอาณาปณสิใช่ไหมครับได้ได้ถูกต้องมุตเมตากุณามุทิตาอุเบกขาต่างๆถ้าถ้าจะไม่ผิดจะจะมีนัยนี้ด้วยที่ว่าถ้าเธอปรารถนาว่าทำจิตให้เป็นอ๋อนี่อย่าพูดเลยเพราะมันยังไม่ได้ตรวจสอบคือมากาลังคิดว่าเออเราจะ ถ้าจะทำจิตให้มีเมตตาเนี่ยพึงเจริญอนาปนานสติใช่หรือเปล่าแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบอืบก็ยังไม่พูดตรงนี้นะครับอทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่ว่าเออเราจะทํำยังไงเวลาวิธีกา ร, รปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็<ช>รู้รละหมายใจก็ได้ทีนี้พออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นว่าเรามีความพอใจเรามีความไม่พอใจเข้าไปมีควา ม, มไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างเนี้ย เอ๊ะฉันอยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่เป็นต้นอยากได้โทรศัพท์ใหม่แต่ว่าไม่ได้เงินไม่พอพ่อไม่ให้ของไม่มีจองแล้วยังไม่ได้มันจะเกิดอารติขึ้นคือความไม่พอใจไม่พอใจครับเอ๊ะทำไงทําไงจะดับความตรงนี้คุณฉลาดในพระจิตตัวเองไหมคุณเกิดขึ้นแล้วคุณรู้หรือเปล่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นคุณอยากได้คุณไม่ได้อย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าคุณยังอยากแต่คุณคุณเหตุปัจจัยพร้อมแล้วแต่ยังไม่ได้มาอย่างเงี้ย เกิดราคาขึ้นก็มีนะครับอ่อันนี้ถามว่าเอาอาสุภาก่อนเอ่ออรติก่อนแต่เราก็มีมูทิตาซะนมูทิตาคือความที่ยินดีกับของคนอื่นที่เขามีในใครมีแล้วเราก็ยินดีด้วยในอารติเนี่ยมันจะจะระงับไปได้ทดลองดูเลยทดลองดูเลยครับอืมพอเกิดความเบียดเบียนเกิดขึ้นฉันไม่ชอบไอ้หน้าหมอนี่มันฮึมฮมขึ้นมาเป็นปฏิกัาแล้วแต่เราเจริญอุเบกขาได้แน่นอนละได้อืม นะหรือว่าเรามีพยาบาทนะคือพยาบาทนี้เลยปฏิฆะขึ้นไปอีกนะคือคือมันไล่ไปอย่างนี้เหมอพงศ์อารติก่อนอารติคือความไม่พอใจไม่พอใจคุณคุมไม่ได้ใช่ไหมเพรอมุ้ทิตาคุณคุมไม่ได้มันจะเลยขึ้นไปเป็นปฏิฆะปฏิฆะคือความขัดเคืองละหึ่มหึ่มละอ๋อหนักขึ้นอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นอารตินี่คือหึ่มทําไมเป็นงี้ขึ้นมาอย่างงี้นะเออครับอ่แต่นี้พอฮึ่บ่อยๆแล้วมันเริ่มไม่อยู่แล้วมันไกลปฏิฆะ มันกลายเป็นหืมหืมละเป็นปฏิฆะครับทีนี้ปฏิฆะแล้วมันเริ่มจะเป็นเป็นโกรธโกระคือความโกรธเริ่มขวันเริ่มเริ่มหืมหืะอ่าเริ่มก็เรียกว่ามีไอมีไอ้น้ำขึ้นนิดนิดนิดนิดอ่าทีนี้พยาบาทนี่เดือดละเดือดละอืพยาบาทนี่เริ่มเดือดละเป็นประปุษตูปุษขึ้นมาละอเพราะนั้นมันก็มันก็จะเป็นตรงนี้มันจะเริ่มเป็นกรรมเป็นได้สร้างบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีละ มันคือพระเจ้าอาจจะพูดถึงตรงนี้ก็ได้ว่ามันก็ไล่เป็นขั้นๆนะไล่จากขั้นใหญ่ลงมาเลยก็คือเมตตานะถัดลงมาก็จะเป็นอุเบกขากรุณาอุเบกข า, าเลืกลงไปอีกก็เป็นมุทิตาครับอ่านี่ถ้าพูดถึงสายพยาบาทนะตที่ที่ดูๆอ่ารจริงๆคือมันก็รวมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันหมดอนะเพราะว่าเวลาที่มันมีความไม่พอใจ นะมันคุมไม่อยู่มันก็เราหยุดไม่ได้มันก็ปฏิกะก็มาปฏิฆะมีอยู่เราคุมไม่อยู่หยุดไม่ได้ปยาบาดก็มาอย่างเงี้ยครับมัน<ล>เร ต, ต้องเป็นขั้นๆไปอีกอีกตัวหนึ่งบรรทัดสุดท้ายของพระสูตรเนี่ยจะมีอัศมิมานะเนี่ยครับขอความ<ช>สําคัญมั่นหมายด้วยความเป็นตัวตนอืมความยึดถอนะออือมานะตัวตนอย่างเงี้ยคือมาณะตัวตนเนี่ยเราเห็นว่าไอ้ตัวชั้นแขนของชั้นตัวของชั้นอย่างเงี้ย นั่นก็เพราะว่าเราเรายังมีความเป็นอัตตาอยู่จะทำให้อัตตาหายไปก็ต้องมีอนัตตสัญญาจะมีอนัตตสัญญาได้ก็ต้องเจริญอันนี้จะสัญญาเห็นความไม่เที่ยงอันนี้ก็คือในกระบวนการนี้ถ้าเจริญอาณาปณะสิก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องคือเกิดขึ้นพร้อมกันมันอยู่ในนี้ไง Okay, เราเราเลือกอที่จะทําขึ้นมาให้ให้มีได้คืออนาปานาสติเนี่ยจิตที่เป็นมีสติจิตที่มีสมาธิเนี่ยปพูดงี้ดีกว่าเป็นฐานรองรับของเจ้าเมตตาเป็นฐานรองรับของบุติตาอุเบกขาพวกนี้ได้หมดครับคืออย่างที่ว่าจับจิตไปวางตรงไหนมันก็ได้อครับเงั้นคือจะพูดว่ามันมาด้วยการแต่กุณแยกเห็นมันออกไหมก็ต้องก็ต้องคอยดูตรงนี้ครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับ กรณีที่แบบชันหนึ่งสสามสี่ไหมครับท่านหรือคือเอาละเมตตาได้เท่านี้ส ม, มุติว่าอย่างชา้นหนึ่งชันหนึ่งก็คือละอะการพยาบาทเบียดเบียนใช่ไหมครับอื ม, อมใช่มันเชื่อมโยงกันได้ไหมครับหรือว่าเป็นคนละเรื่องกันคือมันมันเกี่ยวข้องกันเลยล่ะหมอฤทธพงศ์ครับทีนี้ว่าเราไปพูดแยกกันเนี่ยเลยทําให้เราสับสนอ่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเพั้นคือถ้าเราพูดถึงสมาธิสมาธินี่รวมหมดแล้ว <Okay. S 2> นะคือพระเจ้าพูดถึงอีิจิตตสิกข า, าที่จิตตสิกขาคือการาจิตอันยิ่งใช่ไหมจิตอันยิ่งมีอะไรบ้างนี่พวกนี้ ร, รวมอยู่ในจิตอันยิ่งหมดเลยซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสมาธิไงครับอ่าเพราะฉั้นถ้าเราพูดถึงจิตที่เป็นหนึ่งนะมีฌานที่หนึ่งเป็นต้นอย่างเงี้ยเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาพวกนี้มันต้องอยู่ในนี้หมดใช่ครับอานหนึ่งนี้ตามเกณฑ์ก็คือละกามพยาบาทเบียดเบียนคืออัน ใช่ไหมครับคือ <c oughs> เราสามารถจับจิตให้ไปวางตรงตำแหน่งที่มันมีกรุณาได้อย่างเงี้ยครับทีนี้กรุณานั้นมีวิโตรวิจารไหมยอ่า น, นี่เราก็ต้องมาดูว่ามันอาจจะมีเป็นกรุณาที่มีวิโตกวิจารณ์หรือกรุณาที่ไม่มีวิโตรวิจาร์ก็จะเป็นชั้นสองเนี่ยครับ<ม><ม>พูดถึงเกณฑ์วัดของสมาธิพระพาารุทธเจ้านีชา่ชัดเจนดีนะครับใช่มาลงป๊อกๆๆเลยคือคือรายละเอียดมันก็มี นทีนี้เราดูรายละเอียดที่มากๆไปแล้วเราก็ทําความเข้าใจให้ด้วยว่ามันต้องมาผสมกันแล้วก็รวมออกมาเป็นหนึ่งเป็นลักษณะของมัคคะสมังคีคุณจะทํามัคคะสมังคีได้ให้เกิดขึ้นได้คุณต้องทําบ่อยๆอนะเหมือนสับหมูอ่ะสับทีสองทีมันไม่ได้ต้องสับบ่อยๆสับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจนมันเข้ากันดีอ่าเป็นเนื้อเดียวนวดนวดนวดนวดนวดขยี้บี้มันก็ไปมันก็จะ ปนกันเป็นเนื้อเดียวกันเหนียวขึ้นมาได้อย่างดีก็ทำให้บ่อยทำให้มากทำให้นานใช่เพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้คุยไปสองเรื่องหมอทรับคือเรื่องของการให้ทานทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะครับใช่ใ่แล้วก็เรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาการุณาภาวนาโอ้พูดถึงการเจริญตรงนี้หนึ่งที่เจ้าของคาถามได้ถามมาว่าอย่างเมตตาเนี่ยคือการ มีความรักความเมตตาความเหมือนกับยกตัวอย่างแม่รักลูกแม่รักลูกนี่คือลักษณะของเมตตาครับแล้วกรุณาการุณาคืออะไรใ น, นกรุณาคือความที่อยากให้สัตว์อื่นนี้พ้นทุกข์นะมีเราเห็นหมดตัวมดหรือว่ายุงอย่างเนี้ยครับเฮ้ยเราจะฆ่าเอ้ยเราไม่ฆ่าดีกว่า ต, ตรงเนี้ยจิตของคุณตรงเนี้ยมีกรุณา อ่าเห็นคนนี้ทุกทุกอยู่จะทุกอยู่แต่วทานอยู่ว่าเรามีความกรุณาว่าเอ้ยทำไงเขาถึงจะพ้นทุกอย่างเนี้ยนี่คือความกรุณาครับมุทิตามุูทีตาคือความที่ยินดีกับคนอื่นที่เขาได้รับความสุขอ๋อยินดีตามครับอย่างเห็นลูกสอบได้ยกตัวอย่างลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แม้แล้ยินดีกับลูกด้วยในตรงเนี้ยคือจิตของความเป็นมุทิตาอ๋อครับอ อุเ<อ>บกขานี่คิดว่าค <ไป S 2> งทราบมีอะไรมากระทบกับ น, นิ่งเฉย <c oughs> นี่คืออุเบกขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเพราะนั้นจิตตรงนี้นะหมอรพงคือสมุติถจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเรารมีอะไรมากระทบที่ทําให้จิตเราจะเศร้าแต่พวเห็นเรื่องเศร้าๆนะเราก็มีความกรุณาได้เมือ่อสัปดาห์ที่แล้วหมอรพง์อากมาได้มีโอกาสไปกรุงเทพอ่ก็เดินไปซื้อหนังสือ เดินไซื้อหนังสือที่วัดบัวนี่แหละครับแล้วก็ได้ตรงนั้นก็มีถนนใช่ไหก็มีใช่ครับคนผ่านมาเป็นขอทานก็ไม่ใช่ขอทานเราก็ถ่ายลอตเตอรี่การลอตเตอรี่<อ>จะไม่บอกเขาเป็นขอทานไม่ได้พูดผิดนะ<อ>เขาเขาเป็นคนขายลอตเตอรี่นะก็มากันเป็นสองผัวเมียเนะ้อผัวนี่ก็ขาไม่มีอเมีย น, นี่ก็ตาบอดอผัวนี่ก็เลยนั่งรถเข็นเป็นลักษณะแบบ ไม่ใช่รถเข็นเราเป็นถาดเขียนอาหารของพระนะถาดเขียนอาหารแต่วางอยู่กับพื้นนะแล้วก็มีอันนี้กระจับไหลายผัวเมียตาไม่ดีใช่ไหมแต่ขาดีครับเมียตาไม่ดีแต่ขาดีผัวขาไม่ดีแต่ตาดีแต่ตาดีคผัวก็เลยนำลากลากไปเมียก็ดั น, ด, นดันไปให้เดินไปได้แล้วก็อมือหนึ่งก็สะพายแผงลอตเตอรี่เดินไปอืมครับเราเห็นแล้วเราก็คิดว่าโอ้ เขามีความทุกข์หรือเขาไม่มีความทุกข์กันแน่ดูดูแล้วเขาก็ไม่น่าจะมีความทุกข์เท่าไหร่แต่คือไอ้เรื่องทุกข์แบบว่ามันลำบากนี่มันลำบากแน่ละแต่เขาก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนว่าแดดจะร้อนหรือว่าถ้าเขาไปหาหมอแล้วหมอรักษาเขาไม่ดีเขาจะฟ้องร้องหมอลเลก็คงไม่เป็นอย่างนั้นนะใช่ใช่ไมเขาอาจจะมีความสุขมากกว่าบางคนที่มีเงินด้วยซ้ำมามามองดูอืมอืมอ่าเราก็มีความการุณา หวังความเกือกูลในในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นออกมาเลยคิดว่าบางคนความสุขของเรามันไม่ได้ว่าจะต้องเงินทอตัวเลขหรือว่าสถานะในในสังคมเท่าไหร่แล้วมันอยู่ที่เราเลือกมันอยู่ที่เราจะจะเลือกที่จะทำจิตอย่างไรจริงครับพูดถึงอย่างกรณีของคนตาบอดเนี่ยเคยเคยนึกเหมือนกันครับท่านว่า ถ้าคนนั้นเนี่ยบอดตั้งแต่กำเนิดคือเกิดมาก็ไม่เคยเห็นโลกสีสันใบนี้เลยื อ, อดอคืออย่างคนตาดีก็จะมองว่าโอ้หน้าสงสารเนาะเขาไม่เห็นอะไรเลยแต่ผมว่ามองกลับว่าเอ๊ะเขาเขาอาจจะโชคดีก็ได้ว่าจะไม่ต้องเห็นสิ่งที่มันยั่วยั้วยั่วยวนแล้วก็กระตุ้นกิเลสทางตาเนี่ยก็เลยเออเขาอาจจะมีความสุขกับตรงนั้นก็ได้ใ ช, ใช่ไหมครับใช่คือคือเราวัดความสำเร็จ ของชีวิตของเราเนี่ยนะไม่ได้ด้วยสิ่งภายนอกแต่ว่าด้วยความสุขที่อยู่ในใจที่ว่าเขาจะเลือกที่จะทําความสุขได้เพราะฉะนั้นจึงต้องบอกกับท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าเราเกิดมาเราหาความสุขใส่ตัวดีกว่าอย่าไปหาความทุกข์ใส่หัวนะเรื่องอะไรที่มันคิดแล้วมันจะเป็นความทุกข์เราอย่าไปคิดมันสมมติมคนใกลใ้ตัวเรามันจะทาให้เรามีความทุกข์เนี่ยว่าเราอย่าไปใส่ใจเราให้มีเมตตา เราเลือกที่จะมีเมตตาในภาษะที่มากระทบได้นะให<ช>้เราหาความสุขอย่างนี้ดีกว่านะคืออันนี้นี่คงเข้าใจกันนะว่าไม่ใช่ไเไปเที่ยวเที่ยวบาร์เทียทเท่ยวผับเทียทเท่ย ว, ยวต่างประเทศอะไรงี้ยไม่ใช่ความสุข น, น, นะแต่ให้หาความสุขที่มันมีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วอนะเราอย่าไปสนใจเรื่องที่มันจะทําให้เรามีความทุกข์นะวางสิ่งนั้นซะให้นี่เป็นภัตตาในการที่เราจะตั้งอุเบกขาได้อุเบกขาอย่างน้อยก็ยังมีความสุข <นะ S 2> ให้นี่เป็นผัสสะในการที่เราจะเจริญกรุณาหรือว่ามุทิตาได้อืเห็นเด็กมันดือ้อมันซนมันบ้าบ้าบอๆโอ้ยเราจะไปทุกข์กับมันโอ้ยเราไม่ควรจะเอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมใช่ครับเพราะว่ า, วาความทุกข์นั้นเป็นอกุศลธรร ม, มไม่ควรมีมแต่เราควรจะประกอบความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมแล้วก็ไม่ลุ่มหลงในความสุขนั้นนะเรามีเมตตากับเขาเรามีความกรุณามีอุเบกขากับเขาเรามีความสุขด้วย เขาคนอื่นคนนั้นได้รับการรักษาด้วยครับแล้วเรามาหาความสุขกันอย่างนี้ดีกว่าอืสุขที่ละเอียดแล้วก็เป็นสุขจากข้างในนะครับใช่ใช่หาความสุขกันหาความสุขเกิดมาชีวิตเราสั้นมาก嘛แล้วพงครับชีวิตเราไม่ได้นานเลยครับชีวิตสั้นหาความสุขใส่ตัวครับอืสุขโดยไม่ขึ้นกับแก้แหวนเงินทองอะไรต่างๆใช่ครับเจอผัสสะใดนะให้เห็นธรรมะให้มีความสุข อย่างนี้จะเป็นต้องมองในมุมบวกหรือแง่ดีใช่ไหมครับแง่ดีนี่ก็ส่วนหนึ่งไงแง่ดีนี่ก็ส่วนหนึ่งอาจจะทรงจิตให้คุณได้ดีส่วนหนึ่งแล้วก็ที่จะทำให้มันคงที่คงตัวต่อเนื่องไปได้นั่นคือการที่เราทำจิตนั่นเองครับน้อครับวันนี้ก็เราได้พูดสามเรื่องมาแล้วพงษ์สามเรื่องใหญ่ๆนะครับก็ ได้ประโยชน์มากเลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของทานเรื่องเครื่องปรุงแต่งจิตตรงที่สองก็คือเรื่องของประสูุทที่พูดถึงกับราหุลกการเจริญพวกเมตตาแล้วก็เปรียบเทียบกับพวกพยาบาทอารติพวกนี้ครับว่าตรงนี้เป็นมัคคัศม์มังคีแล้วก็ได้พูดสุดท้ายพูดถึงเรื่องของคนไขายลอตเตอรี่สามีปริยญาคู่หนึ่งอประสบการณ์ตรงของท่านไพบูล์รับ ก็สมควรแก่เวลานะครับได้แล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปดีกว่าครับตามรัชการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโหแห่งวัดป่าดอนไหสศกจังหวัดอุดรธานีครับดีมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุงกท่านครับ